บรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อ, อาจารวิบัติละ 5. าปาติเทสนียกัน คำถามคำตอบวิบัติในปาติเทศนียกันและปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาวิบัตสีอย่าง จัดเป็นวิบัติหนึ่งอย่างคืออาจาระวิบัติวิปัติวาระที่สามจบ